วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราเข้าหาพระกันเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระธรรมคำสั่งคำสอนเข้าหาพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าทำไมเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราไม่มีความรู้เหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ถ้าเรามีความรู้เหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีแต่ความสุขเราจะอยู่ปราศจากความทุกข์เราจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการกำจัดความทุกข์ต่างๆวิธีสร้างความสุข ที่แท้จริงที่สมบูรณ์ที่ถาวรให้อยู่กับเราไปตลอดเราจะได้เรียนรู้วิธีหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีสถาบันการศึกษาที่ไหนที่จะสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีแต่สถาบันของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่จะทำให้เรารอดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดความรู้ต่างๆในโลกนี้จากสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้ ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่เป็นแบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดรู้มากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอาตนให้รอดพ้นจากกองทุก์ได้ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ความรู้ทางโลกจึงเป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์นั่นเองไม่ว่าใครก็ตามเรียนจบระดับปริญญาระดับไหนก็ตามก็ยังต้องมีความทุกข์กันอยู่ยังต้องมีความเศร้าโศกเสียใจยังต้องมีความวิตกกังวลมีความ วนวายใจมีความไม่สบายใจมีความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะความรู้ที่ได้เรียนมาทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไปได้มีแต่ความรู้ของพระพุทธทศาสนาเท่านั้นที่จะสอนให้เราพาให้พวกเราได้กำจัด ความทุกข์ต่างๆให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอาจารย์องค์แรกของพวกเราและพระาอราิยสงฆ์สามกุกทั้งหลายที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้และได้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว และหลุดพน้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากที่ท่านได้ส่งหลุดพน้นแล้วท่านก็มาช่วยเหลือพวกเราที่ยังไม่ได้หลุดพน้นให้ได้หลุดพน้นกันนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระราตนตรัยมีสามพระคุณด้วยกันคือหนึ่งพระพัญญาคุณสอง พระบริสุทธิ์ที่คุณและสามพระมหากร罗ณาคุณนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าและคุณของพระอริยสงสาวกทั้งหลายสิ่งแรกที่ท่านได้ก็คือปัญญาคุณท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจิตาศาสตร์จิตวิทยาความรู้เกี่ยวกับทางด้านจิตใจจนสามารถ ตัดสรุ้บรรลุธรรมขั้นต่างๆมีดวงตาเห็นธรรมที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจ <c oughs> ให้หมดสิ้นไปได้จนใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาพระปัญญาคุณเป็นเหตุที่ทำให้เกิดพระบริสุทธิ์ที่คุณ บริสุทธิ์ที่คุณก็คือความบริสุทธิ์ของจิตใจจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายที่ทำให้พวกเราเป็นจิตใจที่ไม่สะอาดเป็นจิตใจที่มีความ <c oughs> หวังร้ายต่อผู้อื่นมีความต้องการที่จะเอาประโยชน์จากผู้อื่นแต่จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความปรารถนาที่จะต้องการอะไรจากผู้อื่น พอใจที่สะอาดบริสุทธินี้เต็มไปด้วยความสุขเป็นปรมังสุขขังเป็นมล ม, มสุขเป็นใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเอาความสุขจากใครเอามาก็สู้ความสุขที่ได้ที่มีอยู่ภายในใจไม่ได้นี่คือความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้า และของพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายการที่ท่านเสียสละเวลามเวลาหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วเพื่อมาเอาคำสอนเอาความรู้อันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวรียนว่ายตายเกิด ก็เพราะพุทคุณอันที่สามนี่คือพระมหาการุณาคุณความการุณาคือความสงสารนั่นเองสงสารพวกเราพวกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงเสียสละเวลาที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้บรรลุทำแล้วมาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่พวกเรา เพื่อที่พวกเราจะได้รู้จักวิธีที่จะนำจิตใจของเราให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือพระคุณสามประการของพระรัตนตรัยของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกุกคือพระปัญญาคุณความรู้ที่เอาตัวรอดพ้นจากความทุกข์ได้พระบริสุทธ ที่คุณคือความบริสุทธิ์ของจิตใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากความต้องการอะไรต่างๆสงสารและข้อที่สคือพระมหากรุณาคุณความสงสารอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงศ์สงสารโลกต่อสัตว์โลกที่ยังเห็นที่เห็นสัตว์โลกยัง คลองติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวีทว่ายตายเกิดและจะติดไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกมาเอาธรรมอันประเสริฐมาเผยแผ่สั่งสอนและการเผยแผ่สั่งสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวก ก็เผยแผ่บนพื้นฐานของพักุณสามประการนี้เผยแผ่ด้วยปัญญาอัญฉลดแหลมคมความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งปวงเรียกว่าโล ก, กุตตะธรรมความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้และทรงสแสดงธรรมด้วยบริสุทธิ์ที่คุณคือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความต้องการรับค่าตอบแทนจากการแสดงธรรมไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใด เ, เรียกค่าตอบแทนจากผู้หนึ่งผู้ใดไม่เหมือนกับครูอาจารย์ต่างๆที่ต้องมีเงินเดือนเรียนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือนี้ต้องมีเงินเดือนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนต้องเสียค่าครูค่า ค่าคำสั่งคำสอนแต่สำหรับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกนี่ท่านไม่ต้องการเงินดืเงินเดือนไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากลูกศิษย์ลูกหาสิ่งที่ท่านต้องการก็คือให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีวิชาความรู้ที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกต้องการจากโลกสิทธิโลกหาด้วยความกรุณาด้วยความสงสารเพราะว่าถ้าได้หลุดพ้นก็จะจะได้ไม่ต้องมาทุกข์อย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้ายังไม่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคาสอน หรือจากพระ อ, อริยสงสาวกจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้จะยังต้องติดอยู่ในกองทุกข์ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและของพระ อ, อริยสงสาวกจึงสั่งสอนด้วยความสงสารด้วยความบริสุดใจ ไม่มีความต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้ที่มาริ่มมาเรียนมาศึกษาและสอนด้วยปัญญาความรู้ที่เป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งปวงเป็นความรู้ที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่แหละคือพระของพวกเราคือพระอาจารย์ของพวกเราครูของพวกเรา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้เป็นหมอผีหรือเป็นผู้ที่จะมาเสกมาเป่าอะไรให้กับพวกเราอย่าไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้ท่านเสกท่านเป่าให้เราได้สิ่งนั้นได้มีสิ่งนี้อันนี้ท่านไม่ได้ทำนี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสอนธรรมะให้กับพวกเราสอนแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อให้พวกเราจะได้เห็นทางในที่มืดนั่นเองตอนนี้จิตใจของพวกเรานี้เหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดเวลาอยู่ในที่มืดนี้จะทำอะไรจะไปไหนมาไหนนี้จะลาบากจะทำไม่ถูก และจะเกิดอันตรายได้ไม่เชื่อลองมาอยู่บนป่านี้ตอนคืนบนนี้ไม่มีไฟฟ้าตอนคืนลองเดินไปไหนมาไหนถ้าไม่มีแสงสว่างเช่นไฟฉายนาทางนี้จะไม่กล้าเดินไปกันเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างทางเดินจะมีสัตว์เลื้อยคลานจะมีสัตว์อะไรต่างๆอยู่ไหมจะไม่รู้ ถ้าไม่มีแสงสว่างนี้จะไม่กล้าไปไหนไม่กล้าเดินไปไหนเพราะกลัวจะพบกับภัยอันตรายต่างๆนั่นเองจิตใจของพวกเราตอนนี้ก็เหมือนคนที่อยู่ในที่มืดที่มืดเพราะว่าจิตใจถูกมีสิ่งที่มาปิดบังตาของใจ สิ่งที่ปิดตาบังตาของใจก็คือโมหะอาวิชชาโมหะแปลว่าความหลงอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความจริงไม่มีวิชาความรู้ที่จะรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองเหมือนกับคนตาบอดเวลาไปจับแมวก็อาจจะคิดว่าเป็นสุนัข ก, ก็ได้ ไปจับสุนัข ก, ก็อาจจะคิดว่าเป็นแมวก็ได้ไปจับงูก็อาจจะคิดว่าเป็นปลาไหลก็ได้อันนี้คือลักษณะของคนของจิตใจของพวกเราที่มีโมหะอาวิชชาครอบงำจิตใจทำให้เราเห็นกงจากเป็นดอกดัวําทำให้เราเห็นกับตาละปัด เ, เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรานะเมื่อเราไปเห็นผิดเข้ามันก็ทําให้เราทุกข์เพราะเมื่อเราไปคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขพอเราไปจับมันเข้าเราถึงจะรู้ว่ามันทุกขนะ์แต่มันก็สายไปเสียแล้วเหมือนกับเราไปจับงูพิษว่าคิดว่าเป็นปลาไหลนะ พอไปจับงูพิษเข้าคิดว่าเป็นปาลาไหลจะจับปาลาไหลมากินเอพอไปจับแทนที่จะเอาได้ปาลาไหลมากินกลับจะถูกยางูพิษกัดเอานี่คือลักษณะของความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเออ เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเช่นเห็นอะไรที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราก็เห็นว่าร่างกายของเรานี้เป็นของเรานั่นเองเป็นตัวเราอันนี้แหละเป็นความหลงผิดอย่างยิ่งใหญ่เป็นความหลงผิดที่ทำให้เราต้องมาทุกกันอย่างทุกวันทุกคืนนี่ ไม่ได้ทุกข์กับอะไรทุกข์กับร่างกายอันนี้แหละเราทุกข์กับมันตลอดเวลาแทบจะไม่ค่อยมีเวลามีความสุขเลยวันวันหนึ่งเนี่ยก็คอยแต่กําจัดความทุกข์ต่างๆของร่างกายความทุกข์ที่เกิดจากการต้องหายใจเนี่ยต้องหายใจตลอดเวลาถ้าขี้เกียจหายใจเมื่อไหร่ก็ตาย ยังขี้เกียจไม่ได้เรื่องการหายใจนี่แล้วยังต้องคอยหาน้ํามาให้ร่างกายดื่มคอยหาอาหารมาให้ร่างกายรับประทานคอยหาปัจจัยอื่นๆเช่นเสื้อผ้าอาภรณ์หาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคมาคอยกําจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ ที่มันเกิดขึ้นมาในร่างกายถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราไม่เป็นของเราเราจะไปดูแลมันทำไมให้เหนื่อยยากเปล่าๆแต่พวกเราไม่รู้กันเราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราเลยยอมทนทุกข์กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายกัน แต่คนที่ฉลาดคนที่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี้เขาจะดูแลอีกแบบหนึ่งเขาจะดูแลแบบเขาดูแลคนรับใช้เพราะเขาดูว่าร่างกายนี้ความจริงมันก็เป็นเหมือนคนรับใช้นั่นเองคนที่เป็นเจ้านายของร่างกายก็คือพวกเรานี้เองพวกเรานี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ใช่ร่างกาย แต่พวกเราไม่รู้กันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้ว่าพวกเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้ของพวกเราเราเป็นใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือความจริงแต่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเรามองไม่เห็นใจมองไม่เห็นตัวเรา เพราะเราไม่มีกระสกกระจกสองใจนั่นเองแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านค้นพบกระจกสองใจท่านจึงเห็นใจเห็นตัวของท่านท่านเห็นว่าตัวของท่านนี้ไม่ได้เป็นร่างกายตัวของท่านนี้เป็นใจคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยนี่แหละคือผู้ที่มีวิชากับผู้ที่ไม่มีวิชา ผู้ที่มีโมหะมีความหลงกับผู้ที่ไม่มีความหลงนี้จะเห็นต่างกันอย่างนี้ะผู้ที่ไม่มีความหลงไม่มีอวิชชาความไม่รู้ความจริงจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจะรู้ว่าตัวเราของเรานี้คือใจร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้ใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ผู้ที่รู้ความจริงอย่างนี้จึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องของร่างกายเท่าไหร่เลี้ยงดูร่างกายไปตามอัตภาพเหมือนกับเลี้ยงคนคนคนรับใช้เวลาที่เราเลี้ยงคนรับใช้กับเลี้ยงเหล่านี้เลี้ยงเหมือนกันหรือเปล่าเวลากินเวลาอยู่นี่กินเหมือนกันหรือเปล่าเรามักจะกินดีกว่าคนรับใช้ใช่ไหม เรามักจะอยู่ดีกับคนรับใช้ใช่ไหมก็เพราะว่าเรารักตัวเรามากกว่าเรารักคนรับใช้นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราโงา่พวกเราไม่ฉลาดพวกเราไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราไม่ได้มีกระจกส่องใจเราจรึงมองไม่เห็นตัวเรา เมื่อเรามองไม่เห็นตัวเราเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเพราะว่าเรามองเห็นร่างกายเราอยู่กับร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดเราใช้ร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดจนเรากับร่างกายนี้เป็นเหมือนฝาแฝดไปไหนไปด้วยกันทำอะไรทำด้วยกัน เมื่อไม่มีคนมาบอกเราว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันเราก็เลยคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันเพราะทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันยกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่ไม่คิดเหมือนกับพวกเราเมื่อเราคิดแบบนี้เราก็เลยต้องมาวุ่นวายกับร่างกายต้องมาห่วงต้องมากังวลกับเรื่องของร่างกาย จนทำให้เราลืมความเป็นจริงของร่างกายไปว่ามันไม่เที่ยงร่างกายของเรานี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่ความลักความหวงร่างกายนี้มันทำให้เราไม่กล้าคิดถึงความจริงของร่างกาย ไม่อยากคิดถึงความจริงของร่างกายเราจึงลืมไปว่าร่างกายของเรานี้มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปแล้วเมื่อเราเวลาเห็นความแก่ความเจ็บความตายในร่างกายของผู้อื่นมันก็มาทําให้เราสะเทือนใจเพราะเราไม่อยากจะคิดถึงมันไม่อยากจะรับรู้มัน แต่ความจริงของร่างกายมันมักจะมาพบมาปรากฏให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆในร่างกายของผู้อื่นเวลาที่เราเห็นคนอื่นตายทีหนึ่งมันก็มาสร้างความสะเตือนใจให้กับพวกเราครั้งหนึ่งเวลาที่เราเห็นคนอื่นแก่เราเห็นคนแก่มันก็มาสร้างความสะเตือนใจให้กับเราสักครั้งหนึ่งแต่เราก็พยายามลืมมันไม่อยากจะไปคิดถึงมัน พอเห็นคนแก่แล้วเดี๋ยวพอเดินผ่านไปก็ลืมไปรู้เบียูเพียงเดี๋ยวเดียวว่าต่อไปเราจะต้องแก่แต่พอเดินไปเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าเห็นของอะไรที่เราอยากได้เราก็ลืมคิดไปทันทีไม่ไปคิดถึงความแก่ทันที ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงในโรงพยาบาลเห็นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สะเทือนใจพอจากโรงพยาบาลมาไปเห็นโรงภาพยนต์เห็นร้านอาหารเห็นแหล่งบันเทิงก็เข้าไปลืมเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยทันทีไปงานศพออกมาจากวัดเดี๋ยวก็เข้าไปที่สถานที่ท่องเที่ยวต่อไม่ได้ มันทำให้สะเทือนใจเพียงเดียวเดียวแล้วพยายามลืมมันไม่อยากจะคิดถึงเหมันเราจรึงลืมคําว่าอ น, นิจจังไปเราจรึงมองไปมองเราจรึงมองด้วยคิดว่าร่างกา ย, ายเรื่างนี้จะอยู่ไปได้เรื่อยจะเป็นอย่างนี้ไปไ่อยเรื่อยคือจะคิดว่ามันเที่ยงจะคิดว่ามันไม่ไม่ใช่มันไม่จะไม่คิดว่ามันไม่เที่ยงจะคิดว่ามันเที่ยงมันจะอยู่อย่างนี้ มันจะรับใช้เราตลอดเวลาที่เราต้องการให้มันรับใช้เราแต่เวลามันก็จะค่อยๆขยับเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วมันสัญญาณต่างๆมันก็จะเริ่มแสดงตัวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอเราใกล้เห็นความแก่เห็นความเจ็บนะเห็นความตายเราก็เริ่มมีความหวั่นไหวมีความทุกข์กัน แลตอนนั้นเราก็อาจจะไม่รู้จะทำอย่างไรกับร่างกายเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอย่างไรเรารู้จักวิธีใช้ร่างกายตอบสนองความต้องการของเราแต่พอร่างกายมันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของเราได้ตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความเศร้าใจมีแต่ความเหงามีแต่ความว้าเหวมีแต่ความซึมเศร้าเพราะเราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขต่างๆอย่างที่เราเคยหามาได้นั่นเองนี่คือความหลงมันพยายามที่จะคอย หลอกเราไม่ให้เราไปคิดถึงความจริงของร่างกายแต่พอเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านจะคอยบอกเราทันทีแล้วว่าต่อไปนี้คุณต้องพิจารณาร่างกายของคุณอยู่เรื่อยๆอย่าลืมความจริงของร่างกายเป็นอันขาดว่าหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วร่างกายต้องแก่เป็นธรรมดาสอง ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาสาต้องตายไปเป็นธรรมดาสต้องมีการพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นี่คือวิชาความรู้ที่พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นี้ต้องการให้เราเรียนรู้ให้เราจดให้จํา ให้เราท่องจำได้จนเหมือนกับเราท่องสูตรคูณเลยว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันไปไม่ได้ถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ เ, เตรียมตัวเตรียมใจกัน แล้วก็มาศึกษาให้มันเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้เราอยากมาวัดกันเราเลยสั่งให้ร่างกายพาเรามาถ้าเราถ้าร่างกายเราไม่สบาย สั่งมันมันก็พามาเรามาไม่ได้ถึงแม้เราอยากจะมาก็มาไม่ได้ถ้าร่างกายมันแก่มันเดินไม่ไหวมันก็มาไม่ได้เราต้อง <c oughs> เราต้องอาศัยร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้มาสอนเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกาย ที่มันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นนะร่างกายของคนอื่นนี่เราทุกข์ไหมเวลาร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราทุกข์กับเขาหรือเปล่าเราเฉยเลยไม่รู้สึกสะเทือนใจเลยได้ยินอ่านหนังสือพิมพ์คนนั่นตายคนนี้ตายอ่านแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนไม่มีความทุกข์กับความ ตายของผู้อื่นไม่มีความทุกข์กับความเจ็บความแก่ของผู้อื่นเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขานั่นเองฉันใดร่างกายของเราที่เราคิดว่าเป็นเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราเราต้องมาศึกษามาแยากตัวเราให้ออกจากร่างกายนี้ให้ได้เพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายนี้กับ ไม่ใช่เป็นของเรา <S <S เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราไม่เดือดร้อนอย่างไรเราก็ไม่ควรจะเดือดร้อนกับร่างกายของเราเพราะร่างกายอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นของเราเหมือนกันเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นนี่แหละคือเป้าหมายของการเข้ามาศึกษาพระธรรมคาสั่งคาสอนเพื่อให้เราแยกตัวเราออกจากร่างกายให้ได้ เพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มันทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันต้องคอยเลี้ยงดูมันอยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะว่ามันมีภัยต่างๆที่จะมาทำให้มันถึงแก่ความตายได้มีภัยต่างๆที่จะทำให้มันเจ็บให้มันปวดได้ เ, เราจึง ต้องมาศึกษาเพราะถ้าเราศึกษาและเราสามารถสอนใจให้เราแยากตัวเราออกจากร่างกายได้ทําให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราให้เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นอย่างไรเรารู้สึกเฉยๆอย่างไรร่างกายอันนี้ที่อยู่กับเรานี้ ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เ, ออเราต้องทำใจให้ของเราให้เฉยๆให้ได้เหมือนกันออออนี่คือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนให้เราเห็นความจริงกันและการจะเห็นความจริงนี้นอกจากการได้ยินได้ฟังแล้วยังต้องนำเอาไปกระทําต่อด้วย การได้เรียนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นใจนี่อันนี้เป็นความรู้เป็นความจริงแต่ยังไม่ได้เป็นความรู้เป็นความจริงในใจของเราเพราะว่าในใจของเรานี้ร่างกายมันก็ยังเป็นเราอยู่เรายังเป็นร่างกายอยู่เราจึงต้องมาปฏิบัติต่อมาแยากร่างกายกับใจให้ออกจากกันให้ได้ วิธีที่จะแยกร่างกายออกจากใจนี้เราก็ต้องทำด้วยการฝึกจิตที่เรียกว่าจิตภาวนาการภาวนานี้แหละคือการที่เราจะมาศึกษามาเห็นความเป็นจริงของร่างกายและจิตใจว่าเป็นคนละคนกันเป็นฝาแฝดแต่ไม่ใช่เป็นคนเดียวกันฝาแฝด แฝดสยามเมื่อสมัยก่อนนี้หมอเขาไม่มีความสามารถที่จะแยกแฝดสยามได้แฝดสยามนี้จะติดกันอยู่ตรงข้างๆไปไหนต้องไปด้วยกันแยกกันไม่ได้ไปที่ไหนไปด้วยกันแต่รู้ว่าเป็นคนละคนกันเป็นสองคนอินกับจันเขายัางตั้งชื่ออินกับจันเป็นแฝด สยามคู่แรกใจกับร่างกายก็เป็นแฝดเหมือนกันใจกับร่างกายก็ติดกันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็จะติดกันไปจนวันตายวันตายเท่านั้นถึงจะแยกออกจากกันได้แต่เรามองไม่เห็นแฝดที่เป็นใจเพราะแฝดที่เป็นใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับแฝดที่เป็นร่างกาย เราเห็นเพียงร่างกายเราไม่เห็นใจเราก็เลยเอาใจไปรวมอยู่กับร่างกายไปคิดว่าร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปกับมันใจก็เลยทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายเวลาร่างกายแก่ใจก็ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ทุกข์ เวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ทุกข์หรือร่างกายจะตายยิ่งทุกข์ใหญ่อันนี้เราสามารถที่จะมาศึกษาความจริงอันนี้ได้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นเหมือนแฝดจยามอยู่ติดกันแต่เป็นคนละคนกันและไม่สะเทือนกันคือร่างกายเป็นอย่างไรนี้ไม่ไม่ไม่ ไม่ไปสะเทือนใจได้ถ้าใจรู้จักแยกตัวออกจากร่างกายใจไปสะเทือนเองร่างกายเป็นอะไรนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้ใจสะเทือนด้วยใจไปสะเทือนเพราะไปความเพราะไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเพราะอยู่ติดกับร่างกายถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนให้เรามาหัดรมจิตภาวนา มาทำสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะนี่คือวิธีที่เราจะแยกใจออกจากร่างกายวิธีแรกนี้เรียกว่าสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบเวลาทำใจให้สงบแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายใจจะรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละสวนกัน นี่คือขั้นตอนแรกการภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับการเข้าไปดูกระจกสองใจนั่นเองเวลาเราไม่ภาวนานี้ใจอยู่กับร่างกายเราก็เลยคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันแต่พอเวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่ใจจะแยกออกจากร่างกายแล้วเราจะเหมือนกับมีกระจก ทำให้เราเห็นว่าอร่างกายนั่งอยู่ตรงนั้นใจอยู่ตรงนี้เป็นคนละคนกันนี่แหละคือกระจกส่องใจของพวกเราก็คือการบําเพ็ญจิตตะภาวนานี่เองการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วใจจะรวมเป็นหนึ่งใจจะถอนกระแสของการนับรู้ที่ส่งมาที่ร่างกาย ใจความจริงไม่ได้อยู่ในร่างกายและไม่ได้อยู่ในโลกนี้เสียได้ซ้ำไปใจของพวกเรานี้อยู่อีกโลกหนึ่งเราเรียกโลกนี้ว่าโลกทิพย์นะโลกของดวงวิญญาณใจนี้เป็นดวงวิญญาณเวลาที่ไม่ได้มาเกาะติดกับร่างกายแต่เวลาที่ส่งกระแสการรับรู้มาเกาะติดกับร่างกายเราก็ไปเรียก ว่าใจดวงวิญญาณนี้ว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่เอง <Yeah. S 1> เนี่ยใจส่งกระแสรัรบรู้มาเกาะที่ที่ร่างกายเกาะที่ตาเกาะที่หูเกาะที่ลิ้นเกาะที่จมูกและเกาะทั่วสพางของร่างกาย <Yeah. S 1> เวลาอะไรมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันจะวิ่งไปที่ใจทันที <Yeah. S 1> เหมือนไฟฟ้าที่เราเสียบปลั๊กเนี่ย เวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเสียบปลั๊กเข้าไปเข้าไปในปลั๊กนี้ไฟมันจะวิ่งเข้าออเครื่องเลยถ้าเรามีเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือนี่พอเราเสียบไฟเข้าไปในปลั๊กเสียบสายไฟเข้าไปในปลั๊กสายไฟมันจะไปเชื่อมกับไฟฟ้าที่อยู่ในปลั๊กมันก็จะวิ่งเข้ามาในเครื่องชาร์จเพื่อที่จะมาชาร์จแบตได้ทันที ใจของพวกเราก็มีสายที่มาเสียบกับตาหูจมูกลิ้นกายเอาสายมาเสียบที่ตาก็รับภาพได้เอาเสียงมาเอาสายมาเสียบที่หูก็รับเสียงได้เอาสายมาเสียบที่ลิ้นก็รับรสได้เอาสายมาเสียบที่จมูกก็รับกลิ่นได้ เอาสายมาเกาะที่ร่างกายก็รับรู้สิ่งที่มาแตะต้องร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นของแข็งของนุ่มของแหลมของคมแม้ว่าจะเป็นอากาศน้อนเย็นหรือหนาวต่างๆอันนี้ถ้ามีใจส่งกระแสะมาเกาะแล้วเนี่ยใจจะรับรู้ทันทีนี่แหละคือการการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับจิตใจเชื่อมต่อด้วยกระแสะ ของการรับรู้ที่เราเรียกว่าวิญญาณในขันหนะ้าวิญญาณในขันห้าก็คือหนึ่งในหนึ่งในวิญญาณหนึ่งในขันห้านั่นเองขันห้านี้มีอยู่ห้าขันด้วยกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปก็คือร่างกายนะวิญญาณก็คือกระแส สายที่มาเกาะติดที่ร่างกายเหมือนสายไฟที่มาเสียบที่ปลั๊กเนี่ยวิญญาณมาเกาะติดที่ตาหูจมูกิืนกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสผดพธพะที่มาสัมผัสกับร่างกายพอมีรูปมาสัมผัสกับตารูปมันก็วิ่งเข้าไปที่ใจเลยผ่านผ่านสายผ่านสายวิญญาณผ่านวิญญาณเป็นผู้รับรู้พอเข้าไปถึงใจก็มีขันอื่นมาทาหน้าที่ตอบ พอรูปเข้ามาถึงใจใจก็ส่งสัญญาออกมาเช็คดูว่าเป็นใครสัญญาคือผู้มาตรวจว่ารูปนี้เป็นใครเพราะสัญญานี้มีความจำจำได้ว่ารูปนี้เคยเห็นหรือไม่เห็นถ้าเห็นก็จะรู้ว่าเป็นใครเช่นเคยเห็นคนนี้มาก่อนพอเห็นอีกครั้งหนึ่งนี้ก็จะรู้ทันทีอ๋อคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้รู้ได้ด้วยสัญญา แล้วพอรู้แล้วว่าเป็นใครก็จะเกิดเวทนาขันขึ้นมาเวทนาคืออะไรเวทนาก็คือความรู้สึกเวลาเราเห็นรูปที่เราชอบเราก็เกิดความรู้สึกสุขขึ้นมา เ, นเวลาเห็นคนที่เขามีคุณกับเราคนที่ให้ความสุขกับเราพอเราเห็นเขาเราก็เกิดความสุขเวทนาขึ้นมาความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้าเห็นคนที่เคยทําให้เราทุกข์ พอเห็นเขาเราก็จะทุกขขึ้นมาทันทีนี่คือความรู้สึกมันจะเกิดตามมาจากสัญญาอตอนต้นวิญญาณเป็นผู้รับเอารูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาในใจล้วสัญญาก็จะมาตรวจสอบว่าเป็นรูปของไข่รูปอะไระรูปดีหรือไม่ดีมีคุณหรือมีโทษอพอรู้ว่าเป็นรูปดีก็เกิดสุขเวทนาความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้า เป็นโทษก็มีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วพอเกิดความเวทเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์สังขารก็จะมาทำงานในขันที่4ขันที่5ต่อจากร่างกายวิญญาณสัญญาเวทนาก็มาที่สังขารสังขารก็คือความคิดคิดว่าจะทำอย่างไรดี ถ้าเห็นคนนี้แล้วเขาเป็นคนที่จะมาทุบตีเรามาทําร้ายเราเราก็วิ่งหนีดีกว่าหลบดีกว่าอย่าไปเจอเขาดีกว่าถ้าเห็นคนนี้ว่าเคยเอาข้าวเอาของมาให้เอาขนมมาให้อย่างนี้ก็คิดว่าไปหาเขาดีกว่าไปต้อนรับเขาดีกว่านี่ก็คือสังขารขันนี่แหละคือขันห้าที่ทําหน้าที่ระหว่างร่างกายกับจิตใจ ขันที่หนึ่งเรียกว่ารูปประขันคือร่างกายส่วนขันอีกสี่ขันนี้เรียกว่านามะขันนามะขันนี้เป็นตัวแทนของใจเป็ผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็อาศัยร่างกายนี้เป็นผู้รับใช้ทําอะไรต่างๆหน้าที่แรกของร่างกายก็คือมีหน้าที่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ใจเหล่านี้เองทุกวันนี้เราใช้ร่างกายไปหาอะไรกัน หารูปเสียงกดลิ่นรสไม่ใช่เหรอนองวันไหนตาบอดดูเวันไหนตาไม่ดีอยู่นี่ดูอะไรไม่ได้นี่เกิดรู้สึกขาดอะไรไปทันทีน้องหูไม่ดีขึ้นมานี่รู้สึกว่าขาดอะไรไปทันทีนี่เราใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกดลิ่นรสให้กับเราพอร่างกายไปหารูปเสียงกดลิ่นรสมาสัญญาวิญญาณก็มารับไปมารับไปให้ใจผู้รู้ พอไปถึงผู้รู้ใจก็สั่งให้สัญญามาทำหน้าที่ต่อว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรพอรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาในใจทันทีแล้วพอเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาในใจสังขารก็ทำหน้าที่ต่อ ถ้าดีก็ไปเอามันสิถ้าเป็นของดีให้ความสุขกับเราใช่หเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้านี้ดีมไหมดีใช่ไหเห็นรถเก๋งนี่ดีไหอเห็นโฆษณาของดีๆต่างๆนี่สังขารว่ายัางไงไปซื้อมันมาสิถ้ามีเงินอ่ะใช่ไหมอ่นั่นแหละคือสังขารแล้วมันสั่งใครให้ไปซื้อละ่ะก็สั่งกลับมาที่ร่างกายอกะสั่งให้ร่างกายไปไ ป, ไปธนาคารไปเบิกเงิน อยากจะซื้ออะไรไปซื้อกันอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปกันไปจองที่พักโรงแรมไปจองตัว๋วไปอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องใช้ร่างกายเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยร่างกายจึงเป็นเหมือนคนรับใช้นใจนี้เป็นเจ้านายไม่ใช่เหมือนเป็นจริงๆเลยร่างกายของเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้ใจตลอดเวลาใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรตลอดเวลา ใจจึงรับหนึ่งหัวงร่างกายมากเพราะอะไรเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรนี้ใช้มันไม่ไดนะ้พอใช้ร่างกายไม่ได้แล้วจะไปหาความสุขอย่างไรพะคนที่มีปัญหาทางร่างกายเช่นเป็นอมาพอมปนอานนีชจะไปไหนกับใครได้ไม่มีใครเขาชวนไปไหนแล้ว่ะใครไปเที่ยวด้วยกันรับรองได้ว่าไม่มาชวนไปเที่ยวอีกแล้วถ้าเป็นอมาพกรรมภาพนี่ ไปชวนไปเที่ยวก็ต้องเป็นภารา ก, กับเขาเขาก็ต้องแบกเราต้องหามเราต้องใส่รถเข็นต้องเข็นเราไปไหนมาไหนแล้วเขาจะมาชวนเราไปเที่ยวได้อย่างไรเมื่อร่างกายเราไม่มีความสามารถที่จะไปเที่ยวได้เขาก็ทิ้งเราแล้วล่ะเขาก็ไปเที่ยวของเขาต่อเขาก็ปล่อยเราให้อยู่บ้านให้กินให้นอนไปตามสภาพของร่างกายเทนั้นเองนี่คือเรื่องของ ร่างกายกับจิตใจเนี่ยคือขันห้าของเรานี่แหละคือร่างกายและจิตใจฝาแฝดรูปประขันเป็นเป็นแฝดครึ่งหนึ่งนามขันนี้เป็นแฝดอีกครึ่งหนึ่งนามขันนี้มีอยู่สี่มีการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมีสัญญามาดูว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนดีหรือไม่ดีพะ พอรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็เกิดความรูสม้สึขก ข, biscuit biscuit, ขึ้นมาสุขทุกข์ขึ้นมาทันทีพอเกิดความรู้สึกสุกสขทุกข์ก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีสังขารก็จะสั่งว่าถ้าสุขก็ไปเอามาสิถ้า ถ, ถ้าทุกข์ก็โยนทิ้งไปอย่าไปเอามาอย่าไปยุ่งกับมันใครมาให้ความทุกข์กับเราเนี้เราอย่าไปยุ่งกับเขาใครให้ความสุขกับเรา LM. เราไปหาเขาเราไปพบกับเขาอันนี่คือ เรื่องของร่างกายและจิตใจที่พวกเรามาศึกษากันอันนี้เป็นเพียงแต่โครงสร้างของร่างกายและจิตใจความเป็นจริงยังเราเข้ายัางไม่ถึงเราเพียงแต่เห็นแบบแปลนเหมือนบ้านบ้านนี้เรายังไม่ได้สร้างบ้านเราเขียนภาพขึ้นมาก่อนเห็นว่าบ้า น, นหลังนี้จะเป็นอย่างนี้มีกี่ชั้นมีกี่ห้อง มีห้องน้ำกี่ห้องมีห้องนอนกี่ห้องมีห้องรับแขกกี่ห้องแต่ยังเป็นภาพวาดอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวบ้านแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าต่อไปถ้าเราสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเราจะได้บ้านแบบไหนอย่างไรฉันใดนี่ก็คือโครงสร้างของร่างกายกับจิตใจคือขันห้านี่แหละคือโครงสร้างของร่างกายกับจิตใจ รูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือใจใจอยู่โลกทิพย์ร่างกายอยู่โลกกระทาอยู่คนละโลกกันต่อไปถ้าเกิดโลกนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาเช่นมันพังไปเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงแม้แต่ดวงอาทิตย์ต่อไปมันก็ต้องมันก็ต้องดับเชื่อไหมไม่ใช่ว่ามันจะส่งแสงสว่างมาให้เราอยู่เรื่อยๆ เพราะดวงอาทิตย์จริงๆก็คือเตาไฟดีๆนี่เองที่มีฟืนที่มันที่มีไฟมีฟืนเผาเมื่อมีฟืนเผามันมันก็ลุกมาอยู่เรื่อยๆต่อไปฟืนบนโลกของดวงอาทิตย์นี้ก็จะหมดพอฟืนบนโลกของดวงอาทิตย์หมดแล้วโลกดาวของพวกเรานี้จะอยู่กันได้อย่างไรถ้าไม่มีแสงสว่างไม่มีความร้อนต่อไปโลกนี้ก็จะหนาวเป็นน้าแข็งไปหมด ร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เดราชฉานี้ก็จะแข็งหมดเป็นเหมือนกับเหมือนกับที่เราแช่ปลาแข็งปลาอยู่ในตู้เย็นแข็งแช่แข็งอยู่อย่างั้นตอนนั้นก็เป็นเพียงแต่ร่างกายใจยังไม่ไม่โดนอะไรเพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจอยู่ในโลกทิพย์เมื่อใจไม่สามารถใช้ร่างกายนี้ได้ ใจก็ไปหาร่างกายในโลกอื่นก็ได้เนี่ยบนท้องฟ้านี่เราเห็นไหมมีดวงดาวเยอะแยะไปหมดเราคิดหรือว่าจะมีโลกนี้เพียงโลกเดียวที่มีมนุษย์มีสัตว์อยู่อย่างนี้เหรือต้องมีโลกอื่นดวงวิญญาณก็ไปสามารถไปมีร่างกายที่โลกอื่นได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นปลาเป็นนกเป็นอะไรได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะใจไม่มีวันตาย เพียงแต่ว่าใจมาเกาะติดกับร่างกายแล้วเลยไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยกลัวตายไปท่านั้นเองแต่ตายมามรู้มากี่ครั้งแล้วมีร่างกายมาไม่รู้กี่ร่างแล้วตายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ตัวตัวใจก็ไม่เคยตายสักทีแต่มันก็จำไม่ได้สักทีพอตายที่ไรก็ลืมไปแล้วเพราะว่าเหมือนคนนอนหลับไปเวลาตายนี่ก็เหมือนนอนหลับ พอเวลาเกิดก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่พอตื่นขึ้นมาก็มีร่างกายอันใหม่อีกแล้วก็เลยคิดว่าร่างกายอันใหม่นี้เป็นตัวของเราอีกแล้วแล้วก็มาวุ่นวายไปกับการเลี้ยงดูดูแลร่างกายอันนี้ไปจนถึงวันตายพอตายก็เหมือนนอนหลับไปทิ้งแยกออกจากร่างกายอั น, นี้ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อ นี่แหละคือเรื่องของเรื่องของร่างกายและใจของพวกเราถ้าพวกเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัตินี่เราจะสามารถที่จะแยกร่างกายออกจากใจได้และเวลาที่เราแยกร่างกายออกแยกใจออกจากร่างกายนี้เราจะได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้พบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อน ความสุขต่างๆที่เราได้จากร่างกายนี้มันสู้ความสุขที่เราได้จากการที่เราแยกออกจากร่างกายไม่ได้เวลาที่ใจของเรานี่แยกออกจากร่างกายนี้มันจะสงบมันจะนิ่งมันจะเย็นมันจะสบายมันจะรู้สึกยกภูเขาออกจากอกเนี่ยร่างกายนี้เป็นเหมือนภูเขาที่เราแบกอยู่ตลอดเวลาพอเวลาเรามานั่งสมาธิมาทาใจให้สงบนี้ เราแยกออกจากร่างกายเหมือนกับเราเอาร่างกายที่เราแบกไว้นี้วางลงพอวางร่างกายลงนี้แต่เราจะสึกเบาหิวขึ้นมาเลยมีความสุขไม่เชื่อลองไปแบกอะไรดูสิลองแบกอะไรไว้สักพักหนึ่งน่วแล้วพอเราปล่อยมันวางมันไว้นี้เราจะรู้สึกโอ้ยเบาเหลือเกินสบายเหลือเกินเราโง่นะมาเรามาแบกของหนักๆทำไมนั่นแหละ ถ้าเรามาฝึกสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วเราจะเริ่มฉลาดขึ้นแล้เราจะได้เห็นแล้วว่านี่เราโง่เนี่ยเรามาแบกร่างกายมาทุกขกับร่างกายเพราะเราต้องอาศัยร่างกายหาความสุขต่างๆให้กับเราแต่พอเรามานั่งสมาธิใจเราสงบเราปล่อยร่างกายได้นี้ใจเรากลับมีความสุขมากกว่าตอนที่เราแบกร่างกายตอนที่เราอยู่กับร่างกายเสี <Yeah. S 1> อยอีกเนี่ยทำไมก็เลยทําให้เรา มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่สำคัญเสียแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายก็คือใจเราต้องคอยแยกใจออกจากร่างกายแล้วต่อไปนี้เราอย่าไปแบกร่างกายเราอย่าไปถือว่ามันเป็นตัวเราของเรามันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างมากเราทำให้มันก็คือเลี้ยงมันไปตามอัตภาพถ้ามันกินได้ก็ให้มันกินมันหายใจได้ก็ให้มันหายใจ มันดื่มน้ําได้ก็ให้มันดื่มถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ก็รักษาไปถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ไม่ไปวุ่นวายกับมันเพราะรู้ว่าในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่เรารู้แล้วว่าเราไม่ตายไปกับมันเราเราไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวความตายเพราะเราไม่ได้ตายไปกับมันมันไม่ได้เป็นเรานั่งกายไม่ได้เป็นเรา เราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเรามีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีร่างกายนี่เราก็จะขึ้นออกจากสมาธิมาเราก็จะใช้ความคิดแบบนี้มาคอยเตือนใจสอนใจพอเวลาเราอยู่ในสมาธิเราไม่ได้คิดเพียงแต่เรารู้ว่าโอเวลาที่เราเรากับร่างกายแยากออกจากกานันนี้มันรู้สึกมีความสุขเหลือเกินมีความสบาย เรื่องหนักอกหนักใจอะไรต่างๆหายไปหมดนแต่พอเวลากลับออกมาเข้ามาสู่ร่างกายนี้เรื่องหนักอกหนักใจเข้ามาทันทีไม่ใช่แต่เพียงหนักอกหนักใจกับร่างกายของเราคนเดียวเท่านั้นยังไปแบกร่างกายของคนอื่นนี่ไปหนักอกหนักใจกับร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของลูกอะไรของหลานแบ ก, กไปหมดเลยหนักอกหนักใจไปหมดเลย เพราะความโง่ไงเพราะความไม่รู้ว่าว่าความจริงนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายนี้ไม่มีเป็นของเราร่างกายของพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นของพ่อแม่ร่างกายของสามีของภรรยาก็ไม่ได้เป็นของเขาไปแบกกันทำไมพอเรารู้แล้วต่อไปเราจะไม่แบก แต่เราก็จะดูแลกันไปช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพไม่ทอดทิ้งกันเมื่อยังช่วยกันได้ช่วยเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่ได้ก็ช่วยกันไปแต่ไม่ต้องมาคอยทำแบบให้มันเว่อร์ว่ารู้หลาไม่ต้องทำแบบฟุ่มเฟือยมันไม่มีประโยชน์อะไรมันจะอยู่แบบรู้หลาหรืออยู่แบบไม่รู้หลามันก็อยู่เหมือนกันมันไม่มีผลต่างกันเท่าไหร่ อ้อผลที่ต่างกันจริงๆอยู่ที่ใจถ้าอยากจะใจถ้าอยากจะได้ความสุขมาสร้างความสุขที่ใจดีกว่าสร้างความสุขที่ใจด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าปล่อยได้ใจจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับถ้าปล่อยไม่ได้ใจก็ยังจะทุกข์อยู่ความทุกข์ของใจอยู่ที่การไปแบกสิ่งต่างๆเท่านั้นเองเพราะอยากจะให้สิ่งต่างๆอ ดีเลยอยากจะให้สิ่งต่างๆเขามีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เป็นวิธีให้เขามีความสุขกันวิธีที่จะทำให้เขามีความสุขก็คือเขาจะต้องไปหัดนั่งสมาธิกันไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบกันเพราะถ้าทำใจให้สงบแล้วเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะไม่แยแสกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายเขาไม่เดือดร้อน นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมากระทำกันตอนนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเรากับร่างกายเป็นคนละอันกันเราจะมีความสุขถ้าเราแยกออกจากร่างกายได้เราจะมีความสุขถ้าเราไม่ไปแบกร่างกายได้เราจะมีความสุขถ้าเราไม่ไปห่วงไปกังวลกับร่างกายถ้าเราเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เป็นเรา ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายจากเราไปแล้วเราไปวุ่นวายกับมันทำไมเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายเลี้ยงดูมันแบบธรรมดามันก็ตายเหมือนกันแต่เลี้ยงแบบธรรมดามันไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนเหมือนกับเลี้ยงดูแบบหรูหราแบบเวอร์ว่าเลี้ยงดูแบบนั้นเหน็ดเหนื่อยต้องคอยหาเงินหาท่งมาเลี้ยงมัน หาเลี้ยงมันแบบธรรมดาเนี่ยเลี้ยงแบบพระเนี่ยเลี้ยงแบบธรรมดาเนี่ยพระเจ้าสอนพระให้เลี้ยงน่างกายแบบธรรมดาให้มันกินข้าววันละมื้อก็พอนอกจากนั้นไม่ต้องกินอะไรอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มน้ําเปล่าไปตอนบ่ายก็ให้ดื่มน้ําปลานะสักหน่อยเพื่อให้มีพลังงานเดื่มน้ําผลไม้น้ําผลไม้มันมีน้ําตาลแล้วเดื่มน้ําอ้อยดื่มน้ําผึ้งก็ได้ เพื่อให้พลังงานกับร่างกายเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับการเลี้ยงร่างกายกินมื้อเดียวก็พอแล้วก็ดื่มน้ำไม่ต้องไปดื่มกาแฟน้ำชากาแฟไม่ต้องไปทำอะไรมากไปกว่านั้นเพราะว่าทำอะไรมากไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็แก่ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดี ั้นอย่าไปเหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเอาเวลามาแยกร่างกายออกจากใจดีกว่าแยกใจออกจากร่างกายดีกว่าโดยการหัดมานั่งสมาธิกันฝึกสมาธิฝึกสติปรามีสติคอยควบคุมใจบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วใจจะ แยกออกจากร่างกายนะต่อไปถ้ามีสติสตินี่แหละเป็นผู้ที่จะมาแยกใจออกจากร่างกายใช้พุทโธพุทโธใช้สติคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วใจมันจะค่อยๆแยกออกจากร่างกายไปแล้วพอแยกออกได้เต็มที่ก็จะเห็นความจริงว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย และความสุขของใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเสียแล้วความสุขของใจอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การไปนั่งสมาธิต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปทำอะไรกันไปนั่งสมาธิกันไปหาความสุขจากความสงบกันแล้วบ้านเมืองจะสงบเรื่องราวต่างๆที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้จะหายไปหมด พราะจะไม่มีใครจะมาแก่งแย่งชิงดีกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันเป็นเหมือนเศษขยะเหมือนกองขยะมันไม่ได้ให้ความสุขกับใจมันมีแต่ให้ความทุกข์กันเท่งนั้นความสุขของใจอยู่ที่ความสงบนีนะ้พระพุทธเจ้าจึงตัดว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ดังนั้นขอให้พวกเราเข้าหาพระกันในวันพระหาพระด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราตัวเราคือจิตใจสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะปล่อยวางได้ เราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายของทุกๆคน เ, ออเรารู้ว่ามันไม่มัมนไม่ได้เป็นของใครเพียงแต่เป็นคนรับใช้ของคนที่เรารู้จักเท่านั้นเองเช่นเป็นคนรับใช้ของพ่อของแม่เราเป็นคนรับใช้ของสามีภรรยาคนรับใช้ของลูกเราเท่านั้นเองคือร่างกายของเขาเราก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป เวลาเขาตายรับรองได้ว่าจะไม่มีการมาล่องหม่มล่องห้กันเพราะไปล่องทาไมกับคนที่ไม่ได้ตายพ่อแม่เราไม่ได้ตายสามีภรรยาเราไม่ได้ตายลูกเราไม่ได้ตายไอ้สิ่งที่ตายไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่ลูกไม่ใช่พ่อแม่มันเป็นเพียงคนรับใช้ของเขาเท่านั้นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้และจะเห็นถ้าเรานำเอาไปปฏิบัต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 อิทธิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวาสมิตะโตสัพเพปเรนตุสังกบา จันโทปนาราโสยะามณิโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะ อะพิวาธนสีฤทธะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสามร้ <YouTube. S 1> อยสามสิบสามย สามร้อยสี่สิบสามวิทยุออนไลน์ยี่สิบแปดรับฟังข้างบนนี้เก้าสิบสี่คนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดครับหวยออกแล้วเนี่ยใครชอบเลขไหนจำไว้นะชอบเฟซบุ๊กแล้ยูทูบเดี๋ยมีหลายเรื่องให้เลือกนะนี่ตรงนี้หวยออก ที่นี้ไม่ส่งเสริมเนี่ยแต่ก็ไม่ห้ามคือไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามใครฟังทำแล้วยังไม่เข้าใจอยากจะให้ถามเพิ่มเติมเพื่อเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา ตอนนี้เอาคําถามจากทางบ้านก่อนหรือถ้ามีกระดาษก็เอาก่อนกับคําถามจากข้างบนนี้มีสองคำถามนะครับคําถามแรกกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญกุศลอย่างไรถึงจะถูกต้องครับ อ, อ๋อความจริงไม่ต้องใช้น้ำนะการอุทิศบุญนี้สิ่งที่จาเป็นจะต้องมีสิ่งแรกก็คือมีบุญก่อนต้องทําบุญก่อนะ เป็นทำบุญถวายทานสายบาตรถวายสังฆทานหรือทําบุญชนิดใดชนิดต่างๆมีหลากหลายส่วนใหญ่เรานิยมทํากับพระกับวันเพราะเราคิดว่าขังแต่ถ้าผู้ตามหลักทำแล้วทํากับผู้ยากจนทํากับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเหมือนกันพอเราได้บุญแล้วพอเราทําเสร็จเราก็อุทิศบุญได้เลย ไม่ต้องมีผ้ามาสวนไม่ต้องมีน้ำมากรวดเพียงแต่ลรเลือกคกิฐานขึ้นมาภายในใจขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าจำได้ขอให้ถ้าท่านรอรับส่วนบุญนี้ก็ขอให้มารับไปเถิดเนี่ยเพราะว่าผู้ที่ร่วงลับไปนี้ไม่ได้จะมารอรับทุ ก, ท, กทุกคนแล้วแต่บุญที่เขาทำไว้มีมากมีน้อย ถ้าเขามีบุญมากเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญคำถามที่สองเวลาที่กโกรธโมโหระงับสติอารมณ์ไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับก็ปล่อยมันโกรธไปกันแล้วกันถ้ามันระงับไม่ได้จะทำอย่างไงเพียงแต่อย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรเท่านั้นเองเวลากโกรธแล้วระงับไม่ได้ก็เข้าห้องน้าไปไปนั่งไปจนกว่ามันจะหายโกรธ คิดว่าเป็นเหมือนกับการไปเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายร่างกายเวลาร่างกายโกรธมันก็บอกให้ไปเข้าห้องน้ำมันร่างกายต้องการจะขับถ่ายมันก็โกรธมันก็เราก็ต้องพามันไปห้องน้ำพอมันขับถ่ายเสร็จแล้วมันหายโกรธแล้วเราก็ค่อยออกมาชั้นใดถ้ามันโกรธแล้วเราไม่มีความสามารถที่จะระงับมันได้ด้วยสติหรือด้วยปัญญาเราก็ไปหามุมสงบไปที่สงบไปนั่งอยู่เฉย แล้วก็ปล่อยให้มันหมดแรงไปเองแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะเราจะรู้จักวิธีทําให้มันหมดได้อย่างรวดเร็วคือไม่ต้องปล่อยให้มันหมดไปเพราะถ้าปล่อยบางทีมันอาจจะหลายหลายชั่วโมงหรือหลายวันก็ได้ถ้าเรามาศึกษาธรรมเราจะฝึกสติกันถ้าเรามีสติเช่นพุโทโธพุโทโธเนี่ เราก็จะสามารถหยุดความโกรธได้ภายในไม่กี่นาทีเวลาโกรธแล้วเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทาให้เราโกรธเดี๋ยวเราก็ลืมพอลืมแล้วความโกรธก็หายไปพุโทโธก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ว่าไปโกรธทำไมโกรธแล้วเจ็บเจ็บใจไปเปล่าๆเวลาโกรธใครเจ็บล่ะคนที่เราคนที่เราโกรธเรียกว่าเรา เจ็บกันหนาคนที่โกรธเขาไม่รู้ว่าเราโกรธเขาหรอกเขาสบายเขาก็เขาก็ทำอะไรมันเข้าไปได้อย่างสบายแต่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเราเราต้องเห็นโทษของความโกรธว่ามันเป็นอันตรายกับเราไม่ได้เป็นอันตรายกับผู้อื่นนะังนั้นเมื่อมันเกิดแล้วเราต้องรีบดับมันดับมันด้วยการให้อภัยผู้อื่นผู้ที่ทำให้เราโกรธ อย่าไปถือโทษเขามองให้เขาว่าเป็นเหมือนเด็กทารกเราโกรธเด็กทารกไหมเวลาเด็กทารกทำอะไรให้เสียหายเราก็บอกอ่ะช่างหัวมันมันเป็นเด็กไม่ถือสาคนที่ทำอะไรเสียหายให้กับผู้ น, นี้ก็เป็นเหมือนเด็กทารกให้มองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กทารกร่างกายเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจเ็าเป็นยังเป็นเด็กทารกอยู่ ขายังไม่สามารถควบคุมกายวาจาใจของเขาให้เป็นผู้ใหญ่ได้ขายังปล่อยให้กายวาจาใจการแสดงของเขาทางกายวาจาใจเป็นเหมือนเด็กอยู่เป็นเหมือนเด็กทารกอยู่ถ้าเราสามารถมองเห็นเขาเป็นเหมือนเด็กทารกแล้ว เ, เห็นว่าความโกรธนี้มันเป็นเหมือนมีดบาดบาดคอเราเราต้องรีบระงับมันเสียด้วยการให้อภัย แล้วความโกรธก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณริชาขณะนี้คุณแม่นอนไม่รู้สึกตัวตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็แสดงว่าจิตใจเขายังไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะมีวิธีจะทำบุญให้คนป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัวแบบนี้ไหมคะก็ปล่อยเขานอนไปอย่าไปยุ่งกับเขา ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเขาร่างกายก็เป็นตุ๊กตาเป็นเป็นคนรับใช้เขาเดี๋ยวพอร่างกายตายไปเขาก็จะได้เขาก็จะได้ไปต่อทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าเขาอยู่ในสภาพนั้นการทาบุญต้องทําตอนที่เรายัางมีความสามารถมีกำลังวังชามีการรับรู้การกระทาต้องกายวาจาใจต้องพร้อมถ้ามาทาตอนที่ กายวาจาใจไม่พร้อมแล้วก็ทาไม่ได้คาถามต่อไปจากคุณกัญญา <S <S <an> <S คนทรงเจ้าและการไหว้ขันยกครูมีจริงไหมครับและเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดครับก็ตามหลักขอพุทธศาสนาก็มันเป็นเรื่องของเขาอ่ะคือทางศาสนาพุทธไม่ไปลบหลู่ใครใครอยากจะเชื่ออะไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปต่ทางศาสนาพุทธ ถือว่าสิ่งที่ต้องเชื่อก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมเท่านั้นนอกนั้นเราไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่มีผลต่อกระทบต่อจิตใจสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจก็กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้ชั่อ คำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ในประวัติขององค์หลวงตาที่ท่านกล่าวไว้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ท่านจิตเสื่อมจากการขาดคำบริกรรมในการภาวนาผมมีความสงสัยครับว่าอาการจิตเสื่อมที่องค์หลวงตาได้กล่าวไว้นั้นมีอาการเป็นอย่างไรครับก็เหมือนกับคนที่จิตเคยสงบเคยเข้าสมาธิได้แล้วอยู่ดีๆก็เข้าไม่ได้เหมือนกับคนที่ลืมพาสเวิร์ดนี้ <laughs> เคยเข้าเคยเปิดเครื่องกดพาสเวิร์ดเข้าไปได้เนี่ยพอวันไหนลืมกดไม่ได้เนี่อาการก็เป็นอย่างนั้ น, นอ่ะอาการหงุดหงิดลำคาญใจว้าวุ่นใจเกิดขึ้นมาคนที่เคยเข้าสมาธิได้พออยู่ดีๆเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนคนที่ลืมพาสเวิร์ดนีจิตใจมันต้องวุ่นวายกับคิดค้นหาพาสเวิร์ดเนี่ยตั้งก็พยายามค้นหาอยู่ หลายวันจนในที่สุดท่านก็คนพบว่าพาสเวิร์ดก็คือพุทธโธนี่เองพอท่านกลับมาหาพุทธโธพุทธโธเดี๋ยวท่านก็นั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบได้เคยลืมพาสเวิร์ดไหมรู้สึกยังไงคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามผมผิดศีลข้อสองการลักทรัพย์จะทำอย่างไรให้กรรมที่ทำ ไปเป็นอโหสิกรรมครับก็ทําได้คือเอาทรัพย์ไปคืนเจ้าของเขาถ้เราขโมยเข้ามาก็ไปคืนเขามันก็จะไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าอย่างน้อยผู้ที่เขาเสียหายเขาก็คงจะไม่จองเวรจองกรรมเราคนที่สูญเสียเงินทองแล้วเราเอาเงินทองไปคืนเขาถ้าอยากจะให้เขา สบายใจก็ให้ดอกเขาด้วยฮให้ดอกเขาด้วยเขาก็ว่าเอ้าใช่ไหมขโมยไปกี่วันก็ลองคิดดูให้ดอกเขาร้อยละสิบไปเลยนี่คือดอกนี่คือต้นบอกเขาเขาได้เงินคืนแล้วได้ดอกด้วยเขาก็คงจะดีใจเขาคงจะไม่โกรธเคืองกับเราแต่บาปที่เราทําไว้ไม่รู้จะหายหรือเปล่านะเพราะดาบบาปที่เราทํามันเกิดขึ้นแล้ว ส่วนเงินที่เราไปคืนนี้เราไม่ถือว่าไม่ได้เป็นการไปแก้บาปเป็นการไปทำบุญเพราะเอาสมมติถ้าเราเอาเงินที่เราขโมยมาเราไปทำบุญเอาไปใส่บาปเราก็ได้บุญแต่เราก็ได้บาปด้วยได้บาปจากเงินที่เราขโมยแต่ได้บุญจากเงินที่เราเอาเงินที่ขโมยไปทาบุญ เห็นเวลาเราเอาเงินไปคืนเจ้าของเขาก็เหมือนกับเราไปทำบุญกับเขาเราก็ได้บุญนี่บุญกับบาปนีน่สองอันนี้ไม่รู้ว่ามันน้ำหนักมันจะเท่ากันหรือเปล่า <c oughs> คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม จิตของพระอาหารหันต์ท่านจะส่งกระแสจิตถึงลูกศิษย์ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมแต่มีช่วงสภาวะจิตที่ว่างและสามารถที่จะรับทราบวาระจิตที่คิดได้หรือไม่ครับตามหลักธรรมท่านที่ได้ยินก็ท่านผู้ที่มีอภิน ญ, ญาคือสามารถอ่านวาระจิตของผู้อื่นได้ก็จะรู้แต่เพียงแต่ว่าระยะที่อยู่ด้วยกันนี่ต้อง อยู่ในลัทธิถ้าไหร่นี้ไม่มีการกล่าวถึงเช่นอาจารย์อยู่ที่นี่ลูกศิษย์อยู่อเมริกาอย่างนี้ไม่รู้มันส่งไปถึงหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ถ้าอยู่อาจารย์อยู่บนเขาแล้วลูกศิษย์อยู่ตีนเขานี่เคยได้ยินว่ามีในประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านไปอทุ่ดงที่ที่ ที่ไหนเรียกถ้ำสาลิกามแล้วท่านอยู่บนเขาแล้วมีหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่ที่ตีนเขาแล้วตอนเวลาค่ําคืนหลวงปู่มั่นก็ส่งกระแสะจิตมาดูที่กระแสะจิตของหลวงหลวงตาที่อยู่ข้างล่างท่านก็อ่านได้ว่าตอนนี้กําลังคิดอะไรอยู่แต่ไม่ทราบว่าสามารถที่จะ อ่านจิตของผู้อื่นที่อยู่ไกลกว่า น, นั้นได้หรือเปล่าหรืออาจจะอ่านก็ได้แล้วแต่ท่านจะส่งไปหรือไม่อันนี้ไม่ได้กล่าวถึงเลยไม่รู้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณบุญเสริมตัวรู้ในขันห้ากับจิตตัวรู้อย่างเดียวกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ตัวรู้ในขัน้านี้เพียงแต่รู้เฉพาะทางรู้เฉพาะ ร, รูปรู้เฉพาะเสียงไม่ได้รู้ตัวรู้ในจิตนี้รู้หมดตัวรู้ในจิตเป็นตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอีกทีหนึง่งตัวรู้ในขันนี้เป็นตัวไปรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้กับตัวรู้อีกทีหนึง่งคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามถ้าเรามีความฟุ้งมากๆ เราอยากจะฝึกการทำสติตามที่พระอาจารย์แนะนำแต่ถ้าเรานึกพุโทโธน้อยๆไม่พอกับความคิดของเราเราสามารถนึกพุโทโธเป็นสิบเป็นพันก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะอ๋อเป็นหมื่นเป็นแสนชะได้ซ้าไปเพราะเราต้องพยายามฝึกท่องพุโทโธอยู่เรื่อยๆใหม่ๆ ม, มันต้องทำเยอะหน่อยแต่ต่อไปพอพุโทโธมีกำลังมากแล้วบางทีเราไม่ต้องพุโทโธก็ได้เพราะว่า สติมันจะมีกำลังขึ้นมาพอรู้ว่าคิดเราก็บอกให้มันหยุดคิดได้แต่ใ น, นเบื้องต้นสติเรามีกำลังน้อยเราเลยต้องใช้พุทธโธสร้างสติขึ้นมาคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามในขณะที่ลูกมาปฏิบัติธรรมแต่สามีมักทาผิดศรรีลข้อสพยายามเตือนสติแต่ไม่ฟังสามีของลูกจะบาปไหมเจ้าคะ บาปถ้าเขาทำบาปก็ต้องบาปนะนอกจากว่าเราตกลงกันไว้ก่อนว่าอนุญาตให้เขาไปทำด้นี้ก็อาจจะไม่บาปเพราะการประพฤติผิดประเวณีก็คือการที่ไปกระทำสิ่งที่เขาสามีภรรยาเขาไม่ไม่ยินยอมให้ทำแต่ถ้าสามีภรรยายินยอมกันก็ไม่ถือว่าผิดประเวณีประเพณีคำว่าประเพณี ก็อย่างาศาสนาเซรามเขาอนุญาตให้สามีมีภรรยาได้ทั้งสี่คนอย่างนี้เขาก็ไม่ถือว่าบาปเพราะมันไม่ป ผ, ผิดประเพณีเป็นประเพณีหรือพระเจ้าแผ่นดินจะไป ม, มีหลายคนก็ไม่ถือว่าผิดประเพณีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเพณีถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องเขายินยอม เขาไม่เดือดร้อนใจก็ก็ถือว่าไม่ได้ทําบาปไม่ได้ไปทําให้ผู้อื่นเข้าเสียหายหเดือดร้อนครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าบริจากร่างกายหรืออวัยวะให้ผู้อื่นหลังตายเราจะได้บุญหรือได้ไปเกิดใหม่ไหมครับออได้ไปเกิดแน่ๆไม่ว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาค พอเวลาไม่มีร่างกายจิตมันเยอะก็ต้องไปหาร่างกายโดยอัตโนมัติเเหมือนสมัยนี้พอเราไม่มีมือถือเราก็ต้องไปหามือถือใหม่ทันทีเพราะเราติดมือถือซะแล้วจิตมันก็ติดร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปจะทำบุญหรือไม่ทำบุญมันก็จะไปหาร่างกายจะได้ช้าหือเร็วทันเองเพราะมันอาจจะต้องไปใช้บาปใช้บุญใช้บาปก่อนแล้วถึงจะไปได้ร่างกาย ส่วนการบริจาร่างกายตอนที่ตายไปแล้วไม่ได้บุญนะเพราะว่าถือว่าไม่ได้บริจาคต้องบริจาคตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องรู้ผู้ที่ให้ต้องรู้ว่าตอนให้อะไรไปเช่นบริจาคตาตอนที่มีชีวิตอยู่เห็นพ่อหรือแม่ตาไม่ดีขอแบ่งตาให้พ่อแม่ใช้สักข้างหนึ่งอย่างนี้ได้บุญแน่แนหรือแบ่งตาให้พ่อให้แม่ ใช้ข้างหนึ่งหรือบอริจาคเลือดเวลาที่มีการผ่าตัดแล้วต้องการเลือดกุ๊บเดียวกันเราเป็นลกูกกับพ่อแม่กุ๊บเดียวกันเนี่ยเราบริจาคเลือดถ้าทําอย่างนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้บุญเพราะเรามีความรู้สึกรับรู้มีการรับรู้ว่าเราได้บริจากเราได้เสียสละแล้วเราได้รับผลของการเสียสละเคือความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา แต่ถ้าเวลาที่ตายไปแล้วเราไม่รับรู้แล้วเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราอยู่ที่ไหนเขาไปทำอะไรกับร่างกาย น, นั้นเราไม่รู้แล้วเราจะไม่ได้อะไร <c oughs> คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราไปบวชเนคขมมะเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมกับการกระทำในการรักทรัพย์จะแก้กันได้ไหมครับแต่เงินที่เรารักมาเราคืนแต่คืนไม่หมดครับ เราต้องไปฮะต้องไปคุยกับคู่กรณีเเพราะว่าผู้ที่จะมาจองเวรจองกรรมเราก็คือคู่กรณีของเราถ้าเราไปทําให้เขาเสียหายเราก็ไปปรับความเข้าใจแล้วไปปรับความเสียหายให้เขาพอใจถ้าเขาพอใจแล้วเขาก็จะเลิกที่จะมามีเวมีกรรมกับเราที่เราไปบวชนี้มันไม่ได้ไปแก้ปัญหามันคนละเรื่องกัน ปวดหัวแล้วไปกินยาแก้ปวดท้องมันคนละเรื่องกันอันนี้ก็เหมือนกันการไปบวชนี้ไม่ได้ไปแก้เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมนี้ถ้าเจ้ากรรมนายเวรยังอยู่ก็ต้องไปไปปรับกับเขาไป ไปใช้เขาถ้าเราไปทํำลายให้เขาโกรธเคืองเราก็ไปขอโหสิกรรมจากเขาเอถ้าเขาเอาโหสิก็ถ้าเขาไม่โหสิก็ต้องหาวิธีทําให้เขาโโหสิให้ได้อาจจะชดเชยน้อยไปชดเชยไม่พอก็ขอผ่อนส่งได้ไหม <laughs> <laughs> ผมยังไม่มีเงินตอนนี้แต่ผมขอทําสัญญาผ่อนส่งเออทางเขาเห็นว่าเรามีความพยายามที่จะ ชดใช้จริงๆเขาอาจจะโหสิให้ก็ได้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมมโหสิก็ถือเป็นความสวยของเราไปมีกรรมกับคนที่ไม่จองเวรจองกรรมเป็นคนที่ชอบจองเวรจองกรรมก็ถือว่าเป็นความสวยของเราไปนั้นเอาเอาการกระทําของที่ของเรานี้มาเป็นบทเรียนสอนใจเราว่าต่อไปอย่าไปทําอะไรกับใครดีกว่าอย่าไปทําอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหาย แล้วจะไม่มีเวรมีกรรมตามมาคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดมีรูปพระขึ้นหลังจากนั้นรูปพระนั้นได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีความหมายอย่างไรและมีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับอ๋ออย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเราอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราพุโทโธก็พุพโทโธต่อไป ถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วมีอะไรมาดูก็ดูเป็นเหมือนนั่งดูหนังเดี๋ยวจะเป็นบ้าได้ไม่ใช่เลยเดี๋ยวมันมีอะไรภาพแปลกๆหรือภาพอะไรเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันขึ้นมามันก็อาจจะทำให้เราคิดจนเป็นบ้าได้งั้นอย่านั่งแบบไม่มีอะไรคอยกากับใจ ต้องนั่งแล้วต้องมีพุโทโธพุธโทโธแล้วมีมีการดูลมหายใจอย่างสม่ําเสมอมีอะไรปรากฏก็อย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือ น, นั่งรถเนี่ยเรานั่งรถไปลาว่างทางก็จะมีเห็นอะไรต่างๆเราก็อย่าไปสนใจเราก็นั่งอยู่ในรถขับรถไปเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราเห็นนูน่นเห็นนี่แล้วแวะจอดไปดูเดี๋ยวเราก็ไปไม่ถึงบ้าน คำถามต่อไปจากคุณเตือการสมาทานรักษาศีลแปดอธิษฐานในใจจําเป็นต้องไปข อ, อกับพระไหมครับไม่จําเป็นหรอกขอกับเราเนี่ยเราเป็นคนที่จะต้องรักษาต้องถามว่าพร้อมที่รักษาหรื อ, อยังวันนี้เอวันนี้วันพระถือศีลแปดไหมถ้าใจบอกโอ้เอาก็พอเอาแค่นี้ก็จบแล้วถือว่าสมาทานแล้วที่เขาทํา ที่ไปที่วัดเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เขาไปที่วัดพอดีแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่าศีลเป็นอะไรก็อาศัยให้พระสอนได้หน่อยบางคนไม่รู้เลยว่าศีลหน้าเป็นอะไรศีลแปดเป็นอะไรก็ให้พระสอนพระก็จะบอกปานติปาตาเวรมณีอะไรก็ว่าไปบางทีก็ไม่รู้ อ, อีกอ่ะพร้อมเป็นพูดภาษาแขกงอะ่ะไม่รู้พูดภาษาไทยรับไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าศีลข้อไหนเป็นอะไร ก็ต้องไปอ่านคำแปลดูอีกทีถ้าจะรักษาศีลต้องรู้ว่าศีลแต่ละข้อนี้ห้ามไม่ให้ทอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านั้นเหมือนขับรถไปดูป้ายจราจรต่างๆถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วอ่านภาษาแขกไม่ได้นี่เดี๋ยวขับรถไม่รู้ไปถึงไหนก็ต้องมีลามหรือมีใครมาแปลให้ ข้อสําคัญก็คือต้องรู้ว่าศีลแปดข้อห้ามไม่ให้เราทําอะไรแล้วเราพร้อมที่จะทําหรือไม่ตามข้อห้ามของศีลแปดเมื่อเราพร้อมเราก็บอกกับตัวเราเองว่าวันนี้ถือสีนแปดนะก็ทํานั้นก็จบแล้วจะถือ ถ, ถึงกี่ชั่วโมงก็ว่าไปถึงแปดโมงเช้าหรือถึงออสองยามคืนนี้หรือถึงก่อนเวลานอนออก็แล้วแต่อันนี้เราสามารถกําหนดได้ ข้อดีก็ข้อดีข้อเสียก็คือถ้าถ้าทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยอข้อสุดท้ายนะค ำ, คำถามจากคุณปรารถนาไม่สามารถมีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่แต่อุทิศ ส่วนบุญกุศลให้ทุกวันจากการฟังธรรมนั่งสมาธิจะช่วยได้ไหมครับไม่ได้เราถ้าอยากจะอุทิศบุญต้องไปทําบุญเสียยาติเสียได้เงินนี่นั่นทำบุญแบบไม่ไม่ยอมเสียเงินนี่ไม่ถูกเพราะการฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิไม่ใช่เป็นบุญอุทิศนะเป็นบุญเฉพาะตัวเราเห็นถ้าต้องการบุญอุทิศนี่ไปทําบุญทําทานใส่บาตรทุกวันแล้วก็กวดน้ําหรืออุทิศบุญไปเอ อย่าเสียดายเงินถ้าอยากจะทำบุญอย่าเสียดายเงินการการปฏิบัติธรรมนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการฝึกจิตเป็นการสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิขึ้นมาซึ่งเป็นบุญสำหรับผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นบุญที่เอาไปแบ่งให้ผู้อื่นหรือแบ่งได้เราหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าที่ได้ยินได้ฟังมาธรรมเนียมของการอุทิศบุญก็คือ การทำทานทำทานเพื่อให้เกิดบุญเมื่อเกิดบุญแล้วก็อุทิศไปได้ทันทีเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา<ม>ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด